เอ่อท่านศาสนชนซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายต่อ เอ่อเมื่อท่านจบจะอยู่จากพระสูตรบอกว่าเรื่อง ธรรมมานุปัสสนา 1 แต่ความแต่ว่าความจริงก็ เป็นนั้นว่าตั้งแต่ 1 เปอานาปานะบัพคน เป็นเรื่องที่ว่ากันถึงภายในกาย ในการปฏิบัติใน 4 จรณ 15 แล้ว 10 รักษากําลัง จะใช้คําภาวนาหรือว่าพิจารณาในทั้ง 4 ทั้งหมดนี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่าง แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้จะเป็นพระโสดาสีทาคานาคอรหันต์ไม่ได้ เรื่องจรณะ 15 บารมี 10 มีความสําคัญมากจงอย่าทิ้ง 15 บารมี 10 ถ้า คําว่าบรรุมักผลมันเป็นของยากว่าบรรลุมรรคผลมันเป็นของยากดี เรเราลำบากไปการต่อต้านความชั่ว ฤษีย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุ คนฆ่าโคเออลูกมือของบุคคล ย่อมพิจารณากายอันถาดลมแล้วก็ถาดไฟอยู่ตามที่ พิจารณาให้กายในกายเป็นภายในนอกบ้างพิจารณาให้กายในกายเรื่องภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิด <S an> <S an> หรือก็มีสติคิดอยู่ว่ากายมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่ นี่ว่ากันเรื่องตาม <c oughs> เดิมทีก็จะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าไป ผมจะไม่ยอมสร้างความรู้สึกๆจึงเอาพระบาลีที่ สงเณรนั่งพุทธราวะให้มีพิจารณากายนี้ว่ามันมีแต่เพียงธาตุ 4 เมื่อตอนนี้ท่านมีอยู่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเหมือนกับบุคคลผู้ฆ่าโคเมื่อฆ่าแม่ ขาดน้ํานี่เขาเจอวางๆเราเห็นมีเขามี <c oughs> เมื่อเวลานี้ถูลแร่แบ่งเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็น คือเจ้าโคตัวนี้ก็ แต่เวลานี้เราแลไป เรื่องธาตุ 4 นี้ไม่ใช่เป็นนั่งภาวนากว่า ท่านให้ให้จิตพิจารณาว่าร่างกายๆของมันก็คือธาตุ 4 คือธาตุ 32 แบ่ง แต่คราวนี้ไม่อย่างนั้นเอามารวมตัวกันส่วนที่มี ปัจจวะหรือน้ำหลายเป็นต้น ร่างกายนี้ก็อย่าทรงสภาพเป็นปกติคําว่าทรงสภาพคงจะเป็น 4 นี้ถ้าธาตุอย่าง สมมุติว่าถ้าธาตุไฟอ่อนกําลังลง ทำอันตรายกับธาตุดินทําร่างกายที่เป็นส่วนของ ก็แยกภูมิพอมีกําลังขึ้นนี่สมบูรณ์ธาตุสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุดินหย่อนลงไปมันก็ นี่การพิจารณาท่านบอกว่าให้พึงรู้ว่าไอ้กายนี้มันเป็นธาตุ <c oughs> 4 เรเราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดไม่ถือ <c oughs> ธาตุ 4 นี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นสวยสดงามมีกําลังวางชาดีอันนี้ในการต่อไปธาตุ หมายความว่ามันเข้าถึง และมีสําหรับน้ําที่เต็มแล้วเค้าก็ยับยั้ง ซึมไปตามแผ่นดินบ้างน้ํามันก็ย่นน้อยลงไปทุก จะสูดจะซีดไปทีละน้อยละน้อย ไม่ที่สุดคําที่เราว่าดีคือ ไม่มีอะไรน่าดูมีอะไรน่าดูไม่มีอะไร ทั้งวันทั้งคืนที่เรานั่งอยู่เรายืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่ ในที่สุดอาการสลายตัวของมันก็ วันเป็นที่อาศัยแล้วก็มีความ ทำไมองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสอย่างนั้น ร่างกายของเราเราไม่เคยต้องการให้มันแก่ทนุถนอมเท่า แล้วในที่สุดเวลาที่มันจะตายน้อยที่สุดเวลาที่มันจะตายเราก็ยัง หมอป้องกันได้หมอมีวิชารู้ใน เพราะร่างกายวัตถุสิ่งทั้งหลายในโลกวิสภาวะเหมือนกันองค์สมเด็จพระพุทธกวินกล่าวว่าจงถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นแล้วก็ <c oughs> ในเมื่อร่างเราวางภาระคือร่างกาย แต่การป่วยไข้ไม่สบายปรากฏขึ้นเราก็ทราบชัดว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นจะมาถึงเราก็ไม่หนักใจ เรเราก็ใช้มันเมื่อตายแล้วมันก็ตายไปมันจะตายเราก็ไม่มีความหวงใหญ่ในมันนี่แหละบรรดาก็เรียกว่าให้ใช้ พิจารณาเป็นตัวตะกิเลสเพราะกิเลสทั้งหมดเราตัดด้วยการอย่างเดียว แต่ว่าไปแล้วเราก็จะขอไปรับไม่ยกไม่ขอยอมกลับกับพวกก็ <c oughs> และสายที่เราคิด พอจิตทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วเรายังถือว่าพระอนาคามีก็ ดลอารมณ์วุ่งชาลีปรารถนาอย่างอื่นจิตใจจับตรงเฉพาะพระนิพพานอารมณ์ใจของเรานี้นั้นตัดฉันทะกับราคะ อารมมิวางด้างอย่างนี้งค์จ החย pintวัลรมาต่าไม่ได้โอ su w t jam shi w dat anak วิชาที่ serves แต่ความจริงก็จริง como be alarms pMarikashis takar ังสิทย์idades pwt wri s t hA k жд earrings เป็นрев работыกันนี้ก็ 령 hay r henth Bert verm ค์ดと思って yom ที่ yom t hah palapuras sanat dan Doc รdep a hen waar ah t hasez na atath arach i k�. อารมมิวาง มองดูเวลาก็เห็นสมควรแก่ หากว่าท่านทําได้